อิทานิทัสสะพะกวาตุอรหตสัมมาสัมพุทธัสสะบริณพานตุปะทาญวิริสะสังวัตระันจสตาหิาิทเวสังวัระ ยสาิอาิกันตาณิปจุปันในการะเสนะขันวาขมมมาสจักทวิสมังสินนาวารวเสนะะอุตวารหติเอวังตัจจะพุทวตัปริณิพานาสสังนายุกาละขนสังลเตพส สุะนามสุกพระพุทธศาสนาาอยู่การจำเดิมแตวันปรินิพานแห่งองสมเด็จพระพิจิตรมานะหันได้สมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ล่วงแล้วดีสองพันห้ารอยยี่สิบสองพันศาเวาะจบบรรณสมัยสวาคุมามาต วันที่12วันพุตวันนี้เป็นปัจจุบรณวานว่าพุะเจสาศาสนนาอยู่การจำเดินถต่วันเป็นความแห่งองค์สมเ็นุสผู้มีพระพเจ้านั้นมีในยะอันพุทธบริษัทแจ้กถึงกำหนดนับได้ด้วยเกล้าระเสนี นภมตะสะภะโขวะตูอรหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนภมตะสะภะโขวะตูอรหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนภูตะสะภะโขวะตูอรหะตสัมมาสัมพุทธัสสะทานังสัคคโซทานั้นตอ ในโอกาสวันนี้อาตามาภาพจะสแสดงพระธรรมเทศนาในอานิสงส์งการถวายทานเพื่อเป็นเครื่องสดส่งองค์คัทธาวรมีที่บรรดาท่นิจจาราธารมะบนดีทั้งหลายได้ร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศล้วยจำปัด วันแรมแต่ข้ามเดินอ้ายเดือตรงกับวันที่สิบสองธันวาคมวันพุนพธพศสองคันห้าร้อยยี่สิบสองเป็นเหตุท่นมีรู้ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมโลกเกเจตสันดาส ม, มาสมพุทธเจ้าเป็นสำคัญ ยังเล้พากัรปฏิบัติ ต, ตนตามคำสั่งสอนข อ, ององค์สมเด็จเจะทรงฆ์ท่นบรมศาสด า, าสมมาสมุทัเจา้าติ้งกล่าวโดยย่ อ, อว่าวันนี้ท่านทำบุญเป็นบุญญิกริยาวัตถุถึงสามรการในการหนึ่งทานลไม่บุญสมเด็จเจริญการให้ทานทองสินละไม่บุญซสมเกติการรละษาศิน สม า, นนามภาว น, น, น, น, น, นาไม่ตั้งใจสั่งดาพระพุตพุทธคุณเทศนาใช้ปัญญาเป็นเพื่อพิจารณาธรรมเป็นอันมาบุญญากริยาวัตถุทั้งสามรการที่องค์สมเด็จพระ毗ชิตามานปรมศาสัญาสัมมาสัมพุทธเจาาา้าทรงแนะนําว่ากําลังใจของบุคคลผู้ใดมีกําลังใจเข้ในบุญญากริยาวัตถุทั้งสามรการนีแล้ว <c oughs> องสมเด็จพระปฏิแกวกล่าวว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้ไม่แคลนจากสันิพานเป็นว่าวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านทำครบในความดีทุกอย่างโดยความจริงกอนก่อนที่จะขึ้นมาสนแสดงธรรมคิดว่าวันนี้คงจะสแสดงธรรมเรื่องของธรรมิีกาอุมาสกซึ่งเป็นบุคคลตัวอย่าง ในการถวายทานท้าสาสินเจริญภาวนาแล้วก่อนที่จะตายก็เห็นเทวนามาละมารับทั้งทั้งหกชั้นแต่ว่าตัวของท่านรับต้องการไปชั้นดุสิแตแล้าขึ้นมาบนธรร ม, มารแล้วปรากฏว่าคล้ายๆกับองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรวันนี้ควรจะทัเทศรวมหลายๆเรื่องร่วมกัน เป็นอันว่ า, าการเทศรวมเรื่องดิยามหนึ่งที่เรียกว่าเทศเบญจพันธ์ฉะนั้นถ้าอารมณ์ใดเกิดขึ้นบนธรรมะก็จะเทศตามอารมณ์นั้น <c oughs> เป็ น, นว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นบนธรรมะเป็นนี้นั้นก็มีการทราบทางกําลังของจิตว่าควรจะแสดงอยู่กับคนหลายประเภทอาจจะถึงสามพวกเป็นตัวอย่างจะบุคคลมดับรรดาท่างพุทบริษัท ความมีว่ามืองค์สมเด็จพรสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงลุอภิเศสสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเป็นปีที่เจ็ดที่องค์สมเด็จพระไปที่แก้วสมรุอภิเศสสัมมาสัมโพธิญาณในปีนั้นองค์สมเด็จพระบิณฑบาตทรงพิจารณาว่าพระพุทธมินาที่พระเจ้าสุโธธนะมหาราช ตมบาดทา้าเธอเป็นผู้มีประคุณใหญ่มันไหลยสงไขยกลับคือเป็นบิดาเวลานี้แต่ถาคตก็ได้สแสดงพระธรรมเทศนาเป็นเหตุให้พระองค์ทรงบรรลุพระสดาบันและก็ในขั้นสุดท้ายที่พระเจ้าสุโธตนะมาราจาสวรรค์ท <c> ร <oughs> งพระบวยชวนหนักองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพ้อมไปด้วยพิสุทสง์ทั้งหลาย จึงได้สด็จไปสู่กรงุงราชคฤหมหานาครเข้าไปในห้อง บ, บัดบรนพรมคุจอมบอกพิธีสอนคือนพระเจ้าสโธธนะมหาราช <c oughs> สมเด็จพระบรมโลกกาน่ายความจริงก็ทรงรู้อยู่แต่ว่าเป็นฤ า, าสียสพระองค์สมเด็จพระบรมครูและบรรดาพระอาหารหันต์ทั้งหลายสิ่งใดที่รู้อยู่แล้วดระใจกันตัวเองก็ต้องทาเหมือนคนไม่รู้ ดันั้นสมเดจพระบรมโคจึงได้มีพระพุทธดีกาจัดถามพระพุทธมินดาว่ามหาราชาขอถวายพระครพระมหาบาพิตรพระราชสมภารเวลานี้ทุกเวท น, นาทางกายห้องเป็นรายการใดบ้างมันบีบคั้นมากไหม พระเจ้าสุโทธนะมารากริกาทูยพระองค์สมเด็จพระจอมไ ต, ตรว่าสันตีพระตวว่าข้าพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าผู้เส้นพระพุทธเจ้าขาดุกเวทนามังบีขันเกือบจะทนไม่ไหวสมเด็จพระจอมไตรบรรมาศาสดาจึงได้ตัดถามว่าพระมหาโมคิด พ, พระองค์ทรงมีพระสติเป็นอะไร ความดีพุทธองคทรงไว้คือทรงสินห้าเป็นปกติและก็เข้าถึงไตรสนาคมคารพพระพุทธเจ้าคารพพระธรรมคารพพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจิต ท, ที่ปักลงโดยเฉพาะพระนิพพานคลายจิตกาลังใจคลายไปแล้วหรือย่างพระเจ้าคือโพมาธนะหมาไราก็กล่าวุณว่า ความเคารพในพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรก็ดีพระอริยสมก็ดีหินห้าของพระพุทธเจ้าก็ดีในการจิตมุ่งหวังบุญกุศลก็ดีสิ่งทังสามรายการนี้ยังไม่คลายไปจากจิตพระพุทธยวคาะสมเด็จพระบรมศาสดาจะไม่มีพระพุทธดิกาแต่ถามว่าพระมหาบอกทิดอาตมาอยากจะถามพระบิดาพระพุทธินพระพุทธวินดาใช่ระเจ๊ะพ่อ ว่าเวลานี้พระองค์ทรงเห็นแล้วได้อย่างว่าร่างกายมันเป็นเราเป็นของเราและร่างที่เรามีในร่างกายร่างกายมีในเราเวลานั้นปรากรทุโธเวทนาครอบงามพระองค์หนักคือพระเจ้าสุทุโธธนะมหาราชยังได้ทวนสมเด็จพระกรมโลกกันนาดว่าพันตีพระสวานี่จงอย่าลืมนะ ว่าพระเจ้าสุโธธนา m a h a r a ท่านเป็นพ่อของพระพุทธเจ้าคืเป็นพ่อสิทธาราชกุมารแต่ว่าท่านไม่ใช่พ่อของพระพุทธเจ้าสิทธาราชกุมารเดิมเป็นลูกของท่านในเวลานี้สิทธาเป็นลุธธรรมวิเศษเป็นพระพุทธเจ้าท่านระวางตัวตามความเหมาะสมท้าบอกคนนี้ร่างกายนี้เป็นร่างกายของลูก แต่ว่าความดีที่ลูกทรงอยู่นี่ไม่ใช่เรื่องของลูกเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าฉะนั้นท่านยังได้วาง ใ, ใจถวายมาติการด้วยความเคารพในฐานะที่ลูกเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ฐานะพ่อสำลูก <c oughs> ท่า น, นี้ากาวคุณว่าเวลานี้ทุกเวทนา ม, มันบีบคั้นหนะักร่างกายทั้งหมดท่นเจ็บไปหมด นั้นก็เป็นเหตการณีกสองที่พระองค์ทรงแตะถามว่าเห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นพวกเราหรือเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราเวลานี้ข้าพระพุทธเจ้าเห็นแล้วพระเจ้าค่ะว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา <c oughs> ร่างกายมันเป็นแต่เพียงธาตุสี่คือธาตุน้ําธาตุบินธาตุลมธาตุไฟ เป็นที่อาศัยของจิตร่างกายเต็มไปความสกขภกโรคโรคร่างกายไม่มีการทรงตัวมีการเกิดขึ้นแล้วมันก็เสื่อมมีทุกข์มีโรคไปเบียดเบีย น, เ, ยนเป็นทุกขเวทนาอย่างสาหัสถ้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าร่างกายนี่มันเป็นสภาพนอกเหนือจากจิตใจไม่ใช่ร่างกายของข้าพระพุทธเจ้าและเป็นร่างกายที่ ป, ประกอบบริโทษหาประโยชน์ไม่ได้ เมื่อมีชีวิตยอยู่ก็ต้องทนเบือทุกอย่างไม่ต้องการให้มันแก่มันก็แก่ไม่ต้องการให้มันป่วยมันก็ป่วยไม่ต้องการห้มันพัดพาดจากของรักของชอบใจมันก็พัดพลาจากของรักของชอบใจเวลานี้ความตายไม่เข้าจะเข้ามาถึงร่างกายก็ห้ามมันไม่ได้แต่ว่าจิตใจของข้าพระเจา้านี้ไม่ได้มีความรู้สึกต้องการอันนี้ร่างกายนี้ต่อไป เห็นว่าร่างกายนี้เป็นทิพเป็นภัยข้าพทุทเจ้าต้องการพนิพพานเป็นที่ไปต่พระพุทธเจ้ า, าแทนสมเด็จพระบรมศาสดาไม่ทรงสันดับก็ทรงแย้มพระโอษความจริงพระพุทธเจ้าปกติไม่ยิ้มไม่ใช่พระองค์ไม่อยากจะยิ้มเพราะว่าเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าถ้ายิ้มก็ต้องมีเหตุถ้าไม่มีเหตุพระพุทธเจ้าทุกองค์ไม่ยิ้มไม่ชนาบึงสงวางพระภัยสบายสบาย ณองค์สมเด็จพระจอมไตรภูมิศากดิสันดาทรงแย้มพระโอดแล้วพระอานนท์ท่าประอถัมภ์พระองค์สมเด็จพระบาทพิเศษจะต้องถามเหตุทันทีเมื่อเห็นองค์สมเด็จพระจินาสีบริบาบาสันดาทรงแย้มพระโอดึ้นด้วยทรงถามว่าพระองค์ทรงแย้มพระโอดเพื่อเหตุใดพระเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมบาบาสันดาลจินตัดว่าอานันทะดูก่อนนท์ แม้ว่าพิกเเวดูก่อนมีสุขังหลายก็เวลานั้นพระทั้งหมดที่เป็นล้อมพระเจ้าโสโทตนา m a h a r a อยู่ใกล้กับพระเจ้ามีประมาณสองหมื่นองเสร็จล้วนแล้วแต่เป็นพระรามทั้งหมดหรือไม่เป็นอรรัตน์อยู่เดียวเป็นโสดาบัยคือพระอนนนลสมเด็จพระพตทธคนหนึ่งตัดว่าพิกเกเวดูก่อนมีสุขังหลายเวลานี้พระเจ้าสุสโทตนะม a า a r a ซึ่งเป็นพระบินดาของเราในการก่อน เวลานี้จอมบอกพิษอดีสอนจิตเข้าถึงอนหัตผลแล้วเป็นนั้นว่าการที่จะแคล้จากกันชิ้นอายุขไขย่อมไม่มีต้องสมนิพนธ์ในวันนี้แต่ได้ว่าเวลานี้ทุกขเวทนาเขาไว้เจ้าสุธโธตนะหมาราชซึ่งเป็นพรบิดาของเราเดิมมีความทุกอย่างหนักร่างกายทุกส่วนของร่างกายถูกบีบคั้นด้วยทุกขเวทนา แต่ว่าที่พระองค์ทรงพูดก็ได้เหมือนกับคนปกติเพราะว่าใช้คมติธรรมคมกำลังใจและก็มีกำลังใจสูงเวลานี้จิตใจพระองค์มีความแจ่มใสจริงกันนี้พิเศษตามที่องค์สมเด็จพระรัมยเชษตโรคเชษจัดอย่างนี้พระอรหันตุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ่นุุุุุุุุุุุุุุุุุุรหัุพพุุุุุ้นุุุหุนุุนุุุุุุุ ถ้าหลั่นเร่กันเมืเ่อองค์สมเด็จพระองค์ท่านจัดอย่างนี้ทุกองค์ก็ยกมือสันสาธุการว่าสาธุเป็นความจริงตามนั้นพระพุทธเจ้าพังเพราะคนที่เป็นหลั่นย่อมรู้ระบาละของคนที่เป็นหลั่นรู้จิแตและรู้ทั้งคนก็เป็นนาคามีสิทธาคาเมียและพระโสดาบันด้วยและก็ยังรู้ทั้งเฮกเวตนาทั้งร่างกายที่มันจะพัง ว่ามันมีการดิดพันอย่างหนักฉะนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระผ้าเจ้าเจียงเล่ทรงตัดว่าต่อแต่นี้ไปแต่ท้าคดจะลดเวทนาทางร่างกายเพระว่าพุทธบิดาวันนี้คงเรื่องเดียวไม่ใช่หลายเรื่องอะเทพเนี่นะถ้เกิดเกีย่ติขึ้นมามันคนละเรื่องนั่นที่จะเทพเนี่ยเป็นนั้นว่าตอนนั้นองค์ตอนไปองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสินดา ยังได้ทรงตั้งสติาดิฐานเป่งเป็นพระพุทธดิกาว่าบุญบรารมีใดที่แต่ถาคตบำเพ็ญมาแล้วขึ้นเวลาเสียสงไข ย, ยกระสัยกลับเพื่อประทันาจะเป็นรู้ด้วเจ้าหรือความทุกข์ของบุคคลทั้งหลายให้มีความสุขหรือจากวัตตะคือเวียน่หยตายเกิดนิวตตะสงสารมีพระนิพพานเป็นไดงระเส้งสันเป็นที่ไป ดันบุญบรารมีใดที่อาจจะมาสั่งสมในกาลก่อนนึ่นจนกระทั่งถึงบรรพึงจนกรทั้งถึงบรรลุอวิยสัมมาสัมพุทธิยานขอ้อมูลบรารมีนี้นั้นจงช่วยให้พระพุทธวีดายคือพระเจ้าสุโธตนมหาราชหายจากทุกขเวทนาที่ดิบขั้นพระวรกายอยู่เวลานี้แล้วองค์สมเด็จพระสีนสีบริบาลศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ทรงยกพระหัตถ์รูปตั้งแต่ศีรษะคือเสษียณถึงกระบาทบาสามมาระได้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงตัดถามว่าเวลานี้ทุกขเวทนาบรรเทาแล้วหรือยังพระเจา้นนาตถาธตนะมาร่ายกราบทูลว่าเวลานี้ทุกขเวทนาทั้งหมดปรากฏว่หายไปพร้อมกับพระหัตถ์พระพุทองค์ที่รูปตั้งแต่ศีรษะคือมือแตะศีรษะ ความปวดที่สะมันก็หายลูกไฟทิ้งทอมันก็หายเรื่ตามัลำดับแท้ๆก็ป่าดโรคกัหมดไปเมื่อองค์สมเด็จพระจอมใจปรมาศน์สัญญาทำตามนั้นองค์สมเด็จพระพเกวันก็ให้พระทุกคงแต่มันน้อยอมนะตงสองแสนตั้งหมื่นสองหมื่นนั้นไม่ไว้ที่อยู่ใกล้ใครอยากจะสงเคราะห์พระเจ้าุโทธนามารายก็ทําได้ ตอนนั้นไปก็ เ, เป็นหน้าที่ของพระนันทะซึ่งเป็นพระราชโอรสเหมือนกันและก็พระอนนนพระโมกขลาไปสาธิบท็นต้นพระนรุตตางท่านตางก็ทำเช่นเดียวกับองค์สมเด็จตถสมาชพทธเจ้าเป็นอนุนาพระเจ้าสุโธทนะมหาราชเวลานั้นทุกเวทนาทางกายไม่มีเลยพระองค์ทรงชื่นจิตหน้าตาสบายผ่องใสมีสภาวะเป็นปกติ แต่ว่าโรคที่มันเบีดเบียนร่างกายก็เป็นเรื่องของโรคร่างกายที่มันไม่มีแรงลุกไม่ไหวมันก็คงลุกไม่ไหวตามเดิมเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบันดาลให้ลุกขึ้นรทรงบันดาลให้เพียงแค่ระงับทุกขเวทนาต่อ น, นั้นมาองค์สมเด็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นี้ทรงถามว่าเวลานี้พระวรากายเป็นยังไงบ้างพระองค์ก็ทรงแต่งว่าหมดแล้วพระเจ้าค่ะ เขาก็เวทนานใดๆ ไ, ไม่มีเวลานี้ความรู้สึกมันว่านอนมันกาลังสบายๆเป็นการพักผ่อนไหายจากความเหนื่อยฉะนั้นองค์สำเนตใจสำมารตเ จ, จ้าจะในดีพระพุทธดีกาว่าความมีเดิของพระองค์ไม่สมหมดเวลานี้แตถาเขาเกิดทราบว่ า, ว า, ากําลังใจของพระองค์ไม่ติดอยู่ในร่างกายเดิมแล้วใช่ไหมพระองค์ก็ทรงยอมรับว่าเป็นความจริงเพยยียงค่ะ ร่างกายเขาบอกคนอื่นพระองค์ทรงห่วงใยอะไรบ้างพระเจ้าปรทุตนะมหาราชบอกกระโุนว่าถ้าพระเจ้าไม่ห่วงพระยาค่ถ้าทราบ ว, ว่าร่างตายนี้ประเดี๋ยวมันก็พังต่อไปท่านถามว่าทรัพย์สินในความเป็นพระราชาในการครองราชความยิ่งใหญ่ในฐานะที่มียกเป็นพระราชาห่วงไหมท่านก็บอกไม่เลยห่วง ทราบสมบัการไหลใดชากรทั้งหมดที่แรง ก, กดโดยที่ท่าราชบริพานพระองค์ทรงห่วงไหมพระเจ้าสะโทษธนาสนามหาราช ก, ก็ทรงประกาศว่าไม่ห่วงไม่เจียวขาดสมเด็จพระพุทธศา ส, สนาก็ทรงแย้มพระโอรสร่างมนุษยก็ถามต่อไปว่าแย้มโอรสเพราะอะไรเขาไม่ดเจียวขาดต้องถามถ้าไม่ถามและไม่ได้เป็นหน้าที่ของพระท่า์ สมเด็จพระผู้มีพระภายเจา้าจึงได้มีพระพุทธติกาว่าอนันธาดูก่อธ น, อนน์ชวเวลาอีกช่วงไม่กี่ทำนะจิตในเวลานี้พระพุทธมินดาคือพ่อของเราจะไปไนิพพานหลังจากองค์สมเด็จพระยุทธ ม, มาทรงดัตเชิงครู่เดียวไระเจ้าสุโธธนามาราชนอนเจ็บอยู่อย่างนั้นร่างกายมันไม่มีทุกเวทนาทุกมันมีแต่โธนะนาด พระพุทธานุภาพและสังขานุภาพเรงได้นนทรงยกรหัสทั้งสองที่พนมือราว่าทำขอก็มาโทษต่อพระธนทรัยว่ากรรมใดที่ท้าพระเจ้าเคยประมาทภาดกลางในพระอริยสงฆ์ทั้งหลายก็ดีในเรื่องทำคนดีในสมเด็จพระจินสี์ศรีบริม า, าศสาันดาสมาสุตจาคก็ดีตั้งแต่อดีกจกการมา ถ, ถึงปัจจุบัน ดย้ยเจต น, นายกอดีไม่มีเจต น, นายกอดีพระรู้เท่าไม่ถึงการกอดีขอบรรดาคณะพระอริยสงฆ์นั่งหลายพร้อมพระองค์สมเด็จพระจินนทร์สีได้โปรดอดโทษในแก่ข้าพระเจ้าตั้งแต่บัดนี้จึงกว่าจะเข้าพนิชาบนบรรด า, าพระรสงฆ์นั่งหลายพร้อ ม, อมพระ อ, องค์สมเด็จพระพิชิตมายก็ทรงยกมือึสนอทุกร้อมกัน เป็นอนุรการขมาโทษสัหมดไปแล้วพระเจ้าสัทวัฒนาหมาไร่ก็นำเสการองค์สมเด็จเจ้าจอมใจบริมาศาสตธัญดาทั้งท่านที่ยังนอนอย่างนั้นอิเล็กที่ข้างหนึ่งว่าเวลานี้ข้าพระพุทธเจ้าขอทูลลาองค์สมเด็จเจ้สมมาพระพุทธเจ้าพร้อมไปด้วยพระอาญาสงฆ์ทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในที่นี้และก็ไม่ได้ปรากฏอยู่ตลอดเย็นทั้งบรรดาทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งว่าและแล้วที่ต้องลาไป แล้วองค์สมเด็จพระจอมไตรกัมมันดาพระสงฆ์นั่นหลายก็ยกไรเป็นสาธุสร้างความชื่นใจให้พระกฏเป็นอันว่าเวลานั้นพระเจ้าสุทโธตนะมหาราชเจ้านิพพานผู้ง่ายๆนะตากตาลังกตวา่าตามัมณีบาลีกล่าวว่าเวลาที่จะต้องไปพ ร, ระองค์ก็ไปสูพ่พระนิพพานตามความประสงค์พระองค์นี่ลาวรนดาเป็พระทบริษีทันลาภ จึนมาเทศวันนี้ตั้งใจจะเทศเรื่องในสังฆทานบาลีก็ว่าเวแล้วจะทานนงางสกุโสทา น, นังการให้ทานแล้วไปสวรรค์ในเวลาเทศจริงๆไปไม่ได้ก็ต้องเลยมาเทศเรื่องพระเจ้าสุทวธนะมหาราชเท่เรื่องนี้รู้สึกว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทจะหาฟังได้ยากสักหน่อยเพราะว่าก่อนที่จะจบเทศก่อนจะหมดเวลา ก็ขอเอาเจตนาเดิมที่เรื่องของทั้งหมดไปแล้วนะเจตนาเดิมที่ตั้งไว้ว่าทานนางสจายโสทานนางมากล่าวหือว่าการให้ทานเป็นบันไดการไปสวรรค์ตัวอย่างการถวายสังฆทานก็เช่นสันฆบัญญัติที่บุตรในเวลาที่พระพุทธเจ้าไปเทศน์โุธมารดาแต่ความจริงต่อหลังประเทศตรงนี้ก็ไม่แยกประเภท ก็พุตตมันดามีเทวดาองหนึ่งมีนามอินตากาเทพบุตนั่งใกล้เพื่อเจ้าตั้งแต่ต้นจนวสารสมเด็จพ่อพิจิตรมานถามว่าสมัยที่เป็นมนุษย์เธอบำเพ็ญบารมีอะไรไว้จริงไม่ห่างจากการใายคตรตลอดเวลาเป็นเทวดาวที่มีสภาพมากที่สุดกว่าสวดาบนสวรรค์ขั้นดาวดิงสเวโลกทั้งหมด ท่านอินาากบบกนกาเก็ประภุตก็กาวคุณว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์ข่าพเจ้าถวายสังฆทานครั้งเดียวพระเจ้าค่ะแต่ว่าการถวายสังฆทานของก็ไม่มีมากเพราะข้าพุทธเจ้าเป็นคนจนตัดทุนวันต่อวันเลี้ยงแม่ใชยวันกินวันเมื่อพระสงฆ์มาแล้วก็แปลกลมีของในน้อยตามวันลังของบุคคลผู้เป็นคนยากจนเสีาายใจ มีข้าวหน่อยหนึ่งมีอาหารป่าอยู่นิดหนึ่งมีน้ําหน่อยหนึ่งเป็นต้นถ้าไหวเป็นสังฆทานก็บรสงสาวว่าพระองค์สมเด็จโตทศพลเพราะนั้นว่าเมื่อถวายสังฆทานครั้งเดียวตายแล้วมาเกิดเป็นเทวดาบนส ว, นนวรรค์ชั้นดาวดิ้งเป็นเทวดาที่มีน้ภาพมากกว่าเทวดาอื่นใดทั้งหมดตอนนี้ขอกล่าวถึงบุคคลอีกคนหนึ่งย่อๆมันกันภายในสองนาที ว่าองค์สมเด็จพระินท์สีมีชีวิตยอยู่มีท่านคุณหนึ่งมีนามว่าธรรมิกะอุบาสกท่านคุ้นี้พอใจฟารบในคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและกระอาเดียสง์เป็นคนที่มีศีลบริสุทธ์ชอบการถวายทานตอนเยียตายปรากฏว่าท่านผู้นี้นั้น เห็นภาพของเทวดาทั้งหกท้นคือชั้นจาตุภาราชชั้นดาวดิงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมารดีประนิมิตว่าสวัสดีต่างฝ่ายตามนำรถทิดมารอรับท่านทำมิเก่าอมมาศได้ปรกาศว่าข้ายเจ้าอยู่ช่านนั้นจะนีขอท่านอย่งประโยชน์ที่นั่นแต่ว่าทำมีก่าอุมมาศท่านพอใจในชั้นดสิต เวลาที่จะตายกันได้แปลผลตายแล้วไปอยู่ทัน้นฤาิตนี่ระมบบดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> เดิมทีจะเทศเรื่องนี้แล้วก็จะเทศอีกสองสามเรื่องประสานกันแต่ว่าขึน้นธรรมะและ้วกาลังใจไปฝ่ายนึ่งก็ต้องเทศตามกําลังใจเห็นว่าคนจะเป็นที่พอใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นนั้นว่าการที่บรรดาท่านพุทธบริษัทถวายทานในวันนี้ ญาติภาพคือคุณโยมบุญช่วยต้องการถวายสงฆทานก็ดีในวัรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่มาถวายทานจะพระสงฆ์ก็ดีทานวันนี้เป็นสงฆทานทั้งหมดเพราะองค์สมเด็จพระบรมศาสดาว่าถ้าถวายทานแก่พระสงฆ์ตัณฑ์สี่ลูกคุณไปจัดเป็นสงฆทานดังนั้นบุญใดที่ท่านถวายสงฆทานแล้วย่อมเป็นบุญที่มีอานิสงส์มากถ้าจะพึงอุทิศส่วนบุญ น, นี้แก่บุคคลผู้ใด ท่านคนนั้นจะมีความทุกข์อยู่ก็จะมีแต่ความสุขสั่รานเบิบานใจถ้ามีความสุขอยูแล้วก็จะมีความสุขจริงๆจะไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาธรรมพุทธบริษัทชายหญิงผู้เป็นเจ้าของฐานตายจากความเป็นคนมาไรถ้ายังไม่ถึงวันอภัยก็จะหาความยากจนเขินใจไม่ได้จะมีได้ความสุขระบรรดาทรามพุทธบริษัททั้งหลาย หน่วลาก็เล ย, ยไปหน่อยแล้วตอนนี้ป่าอาตมาภาพกระคอยุติแล้ธรรมเทศนาลงคงไว้จัดเพียงกรณีในะะที่สุดทางธรร ม, มเทศนานี้อาตมาภาพในฐานะประ ส, สมในพระพุทธศาสนาขอตั้งสติญาดิธานอ่างคุณประี ร, รัตรนไตรมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและประสัญรัตนะทจริญสามใการ ขอจงอธิบายบรรดาแทนพุทธบริษัททุกท่านให้มีในความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผล ผ, ล, ผ, ล, ผลในขณะที่ร่างกายของตนยังทรงอยู่ขณะสุดท้ายปลายชีวิตนี้ทำใดที่องค์งสมเด็จพระบรมโคอนบรรดาแทนพุทธบริษัทให้ปฏิบัติในบนุญกิจกิจยาวัตถุสชนสามรายกายคือธานใหมา่ศีลใหมายภาวนาใหมา่ ขอบุญในกิริยาวัตถุทั้งสามรายการนี้ใส้โจงเป็นปัจจัยให้บรนดาาิพุทธบริษัททุ่งเขาถึงพระนิพพานในชาตินี้เถิดเอวังก็มีประการราชนี